ใจภาวนา <c oughs> อยู่กับพุโทโธกับพุโทโธพุโทโธพุทโธให้มันคลาดสายหูสายตาให้มันห่างไปจากความรู้สึกมีสติกำกับตลอดจอต่อเนื่องอย่างนี้สักทาว่า นั่งเสียได้เวลาให้มีอย่แต่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่สว่างเราออยู่แค่นั้นก็โอเยี่ยมแล้วมันไปนน้นมันดือ้อไปโน้นดึงเข้ามามันดือ้อไปดึงเข้ามานั่งจนเจ็บจนปวดเอาเจ็บปวดมัดมันอีกดูที่จิตมันดื้อหรือไม่ดือ้อ สัญหาในจิตมันดึกหรือไม่ดึกอริยสัจสี่ 4, บทแรกที่เราสวดทุกขังทุกขัง <c oughs> ทุกขัง ย่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่ของจริงพระริยเจ้าสี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่พิสุทนิธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกขสมุ ท, มมมทัยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกขณีโรทย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ ทุกขนิโรธทกามินีปฏิปทาความเกิดก็เป็นทุกข์ความชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความโศกผลิเทวนาความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจอุปาญาความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ขับแคนใจมันเป็นยังไงมันทุกข์มันทุกข์เหมือ น, น, นกับกลืนก้อนทุกข์เป็นกำกำลงไปในคอแล้วมันแคนมันแคนขมืันเราแคนข้าวอย่างงั้นเหรฮะฮะ <laughs> ขับแคนในหัวอกหัวใจโอ้ยจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกคาอ ย, อยู่ในค อ, อนั่นเ่ะฮะขับแคนใจขับแคนในหัวใจอุปายาตอุปายาสศ ความขับเคลืนใจความเป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหมดที้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสมุทยัยอันนี้คือตัวทุกข์ที่เราสวนนี้เป็นทุกขนะ์เนาะสาเหตุที่แท้จริงมาจากสมุทยัยดูไปที่หน้าตาของมานะันสมุทยัยกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาแปลว่าความอยาก จะเป็นการมาตัญหาจะเป็นภาวะตัญหาจะเป็นวิภวะตัญหารู้จักก็ตามไม่รู้จักก็ตามขอให้เรารู้จักความยากเอาไว้<ม>นั่นคือเหตุเขาหมันมเกิดความคับแคนนเหมือนกับกลืนข้าวไปลำแขนอยู่ในลําคอนี่กลืนก็ไม่เข้าจะคลายก็ไม่ออกแลยยังไงจะหายใจไม่ออกจะตา ย, น, ยนั่น่ะอุปรรยาดอุปรรยาดขับแขนใจ ไปพบสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พรากแยกสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อุปาทานรวมสรุปยอดอุปาทานนักขัทั้งห้าเป็นกอทุกข์ถือมั่นถือมั่นมันมาจากตัวตัณหามันยึดเอาถือเอาเท่านะั้นตัณหาถ้าเอายึดเอาถือเอา รูึว่าพิสดารดีไปดูคําแปลนะท่านเขียนไว้พิสดารดีมากเลยเนในทุกส ม, มุทยัยไปดูศึกษาทุกดูตัวไหนเป็นทุกตัวไหนเป็นส ม, มุทยัยไปศึกษาดูให้ดีมันจะทําให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราใคร่ครวญในอารมณ์อารมณ์ในใจพิจารากองทุกพิจารณาไรกองทุกเนี่ พิจารณากายทุกใจทุกนะมันพ้นกันที่ไหนกับกายกับเวทนากับจิตเนี่ยมันพ้นกันที่ไหนมันไม่พ้นสัอย่างแหละเพราะฉะนั้นเราพิจารณาใดก็ตามจิตดวงเดียวนี่เราไปพิจารณาทะลุทั่วถึงกันหมดพิจารณาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางให้เห็นสักเทธวธรรม อธิธรรมะติวาปนักสสติปัจจุปถิตาโหติสัตว์แต่ว่าธรรมมีอยู่อาศัยเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้ว่าธรรมเหล่านี้มีอยู่ความทุกข์เหล่านี้มีอยู่ความเกิดเป็นทุกข์เหล่านี้มีอยู่ความแก่ความชราคร่อมคราดความวิโยคความพลัดพรากความครับแคนใจครับแคนใจเหมือนเราแค้นข้าวนั่นแหะ ขับแค้นในหัวอกห้วยใจมันกระอักกระอ่วนในหัวใ จ, วใวใจความทุกข์ทุกเต็มทีน่นี่บ้าได้เลยทุกเต็มที่บ้าได้มันอย่างนางปตาจาราทุกจนบ้าใชนางปตยาจาราหัวตายต่อมาอีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงลูกตายสังสองอีกต่อมาไม่กี่ชั่วโมงร่วบพ่อแม่ น้องชายตายอีกโอ้เป็นบ้าเลยนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันจากไหมมันเกิดขึ้นจากการยึดพ่อเราแม่เราพัวเราลูกเราพ่อเราพ่อ เ, เราตายโอยทุกข์้อเกิดเนาะ ว, วเนี่ยนะพเราตายรักแสนรักหนีจากบ้านบนปราสาท อยู่อย่างปันเทวดาตกกระป๋องลองมานี่ตาจาราลูกเสียถีพ่อขำอยู่บนปราสาทชั้นเจดนนตาจารา น, นี่มีใครไปเกี่ยวข้องเลยมีแต่คนใช้พอดีคนใช้ก็เป็นผู้ชายซะอีกอยู่ไปอยู่มารักกันชอบกันเอากั น, นพากันหนีออกจากบ้านไปตายดามงาา มีหไหมมาดูจั ก, กรกองทุกขที่ไหนมันไปพันกันกองทุกมันไปพันกันอยู่มาอยู่มามีลูกคนแรกปกติพราหม์น่ยมันจะไปออกลูกที่บ้านก็ไปไปออกลูกกลางทางเนี่ยหัวตามไปทันก็เอากลับมาลูกคนที่สองไปอีกพาหัวไปไปจะไปคลอดที่บ้านไปถึงกลางทางกัแบบฝน พายุใหญ่ลงมาอลไเนี่ยโอ้ยบังเอิญปวดท้องค็อดจะคลอดพอดีคันแก่เน่ยปวดท้องจะคลอดพอดีพายุก็กระนํมมาทำไงผัวไม่รู้จะแก้ไขยังไงล่ะไปหาหนุ่นผานี่มาปกป้องให้กับเมียล่ะไปดอมๆอย่างข้างๆจอมปลวกงูชกตายเขียวปื้อยู่นั่นแหละข้างๆจอมปลวกเมียกับคลอดตอนฝนกาลังตกนั่นแหละ เอาตัวเองเลยคร่อมลูกเอาไว้ไม่ให้มันเปียกเราดูที่กองทุกไม่ให้มันเปียกลูกทั้งฝนทั้งพายุทั้งอะไรอะไรเนี่ยหัวก็นู้นอ่ะไปด้อมด้อมข้างจอมปลวกตายแล้วไม่รู้ซั่งพอฝนหยุดพอฝนหยุดเมียก็คลอดเสร็จพอดีโอตายเลยไปเดินหาผัวอะไรนี้ทุกขนาดไหนทุกคลอดลูกเนบางคนเน่ยเกือบตายเนีย่ยบางคน่ พอฝนหยุดก็ไปดมดมหาสามีไปเจอสามีนอนตายแอ็งแม่งอยู่กลางจองปลวกตาแล้วผัวกูตายแล้วผัวกูตายแล้วรักแสนรักทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านทิ้งปราสาทมาอยู่กลางดินกินกลางสายด้วยกันเห็นไหมตายจากกันแล้วตายจากกันแล้วยังไม่ลกยังไม่เลิกที่จะไปไปบ้าน แ, ม, ม, ợ, แาม่ยังไม่เลิกคลอดลูกแล้วก็ตามยังไม่เลิก ไปต่อไปอีกไปคนหนึ่งก็อุ้มคนใหม่เนี่ยอุ้มรอดใหม่ๆทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยทั้งมือยล้าทั้งอิดโรยทั้งอะไรสารพัดไหนฝนพายุจะตกลงมากระหน่ำหนาวเหน็บอยู่นั่นน่ะลูกก็หนาวเหน็บอยู่นั่นน่ะอ ไ, ไปไปไปไปคนหนึ่งก็โจงคนหนึ่งก็อุ้มไปไปแม่น้ําขวางหน้าอีกลุยแม่น้ําไปแต่มันไม่ลึก แม่น้ำนะ่ะไม่ลึกแต่มันไหลไหลแรงหลายเชี่ยวทําไงเอาไปทั้งสองก็เอาไปไม่ได้ลูกเอาไปทั้งสองก็เอาไปไม่ได้ก็เลยบอกให้ลูกคนโตเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แหละนอนคอยแม่อยู่ฝั่งนี้เนะปมปุมลูกคนใหม่ๆไปไว้ฝั่งนู้นข้ามแม่น้ําไปลุยแม่น้ําไปแม่น้ำไม่ไม่ลึกแต่มันไหลแรงอ่าไปเอาไปวางเอาไว้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็วางาไว้ วางไว้เสียจแลกลับมามามาเอาคนโตเนี่ไงพะมาถึงกลางน้ำท่านแหละเออเยี่ยวมันไม่โฉบเอาลูกนั่นะเห็นแดงๆนะเยี่ยวโอ้เหยื่อเจอเหยื่อแล้วเหยี่ยวเจอเหยื่อแล้วไม่โฉบเอาโฉบเอาไปเฉยแล้วโฉบหายไปเลยล่ะโฉบเอาหายไปเลยเนี่ยมองไปเห็นเยี่ยวโฉบลูกของตัวเองเอาะตมือไล่เยี่ยวน่ะ ตบมือไล่เหยี่วไอ้ลูกคนโตที่มันอยู่ฝั่งนี้มันคิดว่าแม่เรียกวิ่งตั้มลงไปในน้ำน้ำผัดหายไปเลยจมหายไปในน้ำหมดลูกสองคนนี่หมดในคราวเดียวกันโอ้ทุกแล้วลองคิดดูที่ทุกไหมลูกเราลูกกูลูกกูลูกกูผัวกูผัวกูก็ตายไปแล้วลูกกูลูกกูก็หายไปหมดไปอีกแล้วนะหมยังไม่เลิกที่จะกลับบ้านไป เดินไปเห็นคนข้าวนทางมาเห็นไหมเห็นเศียทีของเราอยู่สุขสบายจริงไหมเสรถีคนนั้นคนนั้นคนนั้นนะ่ะเสียทีที่เป็นพ่อเขาก็บอกโอ้เมื่อคืนนี้คราวที่ฝนตกหนักพายุหนัก น, นั่นนะ่ะบ้านมันพังทับกันตายหมดแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งทั้งเศรษฐีทั้งเมียเศษยีอ่าทั้งน้องชายเนี่ยตายคราวเดียวกันเอาบ้าเลยทีนี้ นางปตัจารานันเป็นบ้าเลยโอ้ยพ่อกูโอ้ยแม่กูโอ้ยน้องกูตายแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วนี่บ้าเลยเป็นคนวิกลจริตนี่บ้าบ้าไปไม่มีสติไม่มีสัมผชัญทร์เดินผ้าหลุดลุ่ยไปไ ป, ไปไหนก็นไม่รู้แหละท่านนีน่เดินไปหน้าไปหลังไปนูน่นไปนี้ไปไหนก็นไม่รู้เรื่องไปแบบคนบ้าไม่มีสติเลยไปไหนเขก็ด่าบ้าบ้า ไปอยู่ที่ไหนไปคนแก้ผ้าไปเขาก็ดายบ้าบ้าบ้าไปไปเรียนหิวนะ ไ, ปไปบุญมีไปก็ไปเจอคนเขากำลังจับกันเป็นกลุ่มๆฟังเทศพระพุทธเจา้านานนี่ก็ไปคิดว่าเขาจะได้อะไรกินไปขอเขากินหิวไปก็โอ้พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรม พอไปในในรัศมีของพระองค์ก็เริ่มรู้สึกตัวอลไรตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวเริ่มเกิดความละอายขึ้นมาขยับเข้าไปใกล้ๆคนเขา n ั่งฟังเทศอยู่เขาก็โยนผ้ามาให้ปกปิดอวัยวะถ้าไม่นานเนี่ยค่อยรู้สึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยพุทธานุภาพเกิดรู้ตัวมีสติขึ้นมามีสัมผัสยักขึ้นมาเนี่ยจากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศ เหมือนกับถูกชุก ด, ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้สึกตัวรู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นอะไรขึ้นมาเกื่อเลื่อมใสศรัท ธ, ธาต่อจากนั้นมาก็บวชบวชไม่นานก็ได้เปลี่ยนฝัน น, นี่เราดูเถอกว่าจะเข้าไปถึงตรงนั้นนี่มันทุกข์สักเท่าไหร่ทุกอย่างนี้แล้วที่เาว่าทุกข์ับแค้นในอกในใจนี่อุปายาะอุปายาะอุปายาะ ทุกขับแคนในหัวอกหน้ยใจทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นตัวปวนมันมาจากเหตุถ้าเรารู้จักสังเกตสังกายอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาอีกข้อหนึ่งขึ้นมาโอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่หัวเราหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ย ว, วอยู่กับกองทุกข์เดี่ยวนี้นะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นกายเรากายของของเราตัวกูตั ว, ตวของของกู ลูกของกูผัวของกูเมียของกูแม่ของกูพ่อของกูพี่น้องของกูทรัพย์สมบัติของกูของกูไปหมดของกูของกูนี่คือว่าเอาเองเฉยๆนะว่าเอาเองเฉยๆของกูของกูสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของใครของกูของใครที่ไหนของกูที่ไหนเขาตายไปเฉยเนี่ยผัวก็ตายไปเฉยเนี่ยลูก ก็เอาไปกินเฉยมันฟังที่ไหนพ่อแม่กับทุกประศาทพังเคราะตายเฉยฟังที่ไหนของกูของกูที่ไหนมันฟังที่ไหนร่างกายของตัวเองจิตใจของตัวเองของกูที่ไห น, นเป็นบ้าอยู่กำลังเป็นบ้าอยู่ น, นั่นน่ะเห็นมน่นของกูความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้นี่แหละคือตัวสมุทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็าไปลักตัวทุกแทนที่เราจะมาละเหตุลเร า, เาไปละตัวทุกคนร้อยทั้งร้อยถ้าไม่มีปัญญาตรัสรู้ของพุณพระเจ้าไปละตัวทุกกันทั้งนั้นแหละแทนที่จะมันจะมาละเหตุไม่ละไปละตัวทุกก็ม่อยาะเราทุกเจ็บทุกปวดทุกเจ็บกายชุกทุกปวดกายปวดตาปวดหูปวดปวดเนื้อปวดตัว ปวดทุกข์อยู่เน่ยเป็นทุกข์ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็กลา ย, ยมันปวดความทุกขความทุกขความทุกขทั้งนี้เนี่ยเรารู้จักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นแหะพวกเราตัวสภาวะทุกที่แท้จริงในตัวมันเองมันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไปแต่เรารู้แต่จะมาทุกขโอ้ทุกขละเกินทุกขละเกินถ้าทุกขกายูโอ้ปวดท้องละเกินปวดท้องละเกิน ปวดหัวเหลือเกินปวดหัวเหลือเกินเรารู้แต่ทุกอย่างนี้บางที่เสียใจทุกใจขับแค้นใจทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินรู้จักแต่มันทุกข์กับอันนี้รู้จักแต่ทุกข์อันนี้บางทีรู้ทุกใจยังไม่รู้จักเลยซ้าไปรู้รู้จักแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเจ็บจากปวดแต่ภาวะความเปลี่ยนแปลงนั่นคือภาวะของความทุกข์อีกความทุกข์อันหนึ่งมันเป็นความทุกข์ในอริยสัจ ซึ่งเราไม่รู้จักคือทุกอย่างไม่คงที่ไม่เท่าเดิมเปลี่ยนไปตัวนี้เป็นต้นต่อแห่งความทุกข์นี่เีงคือเหมือนอย่างการเจ็บการปวดคือร่างกายของเรามันไม่ปกติมันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่เห ม, มือ u, มนเดิ u, ม, un, มก็เปลี่ยนไปพร้อมเปลี่ยนไปมันก็ทุกข์ trois, นี่คือความทุกข์นี่คือกองทุกข์ไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปอไปให้มาคนทุกข์กาย คิด่ร่างกายนี้แหละคือตัวทุกข์เขาพยายามดับกายมัดคอตัวตายมัดคอตัวเองตายโดดน้ําตายฆ่าตัวเองตายยิงตัวเองตายดับทุกข์ไม่ถูกที่ดับทุกข์มันเป็นการเพิ่มทุกข์ดับทุกข์แบบนี้มันเป็นการเพิ่มทุกข์คือชี้ไปชี้เหตุไม่ถูกเหตุของมันแท้ๆมันเกิดขึ้นจากเหตุโน้นเหตุโน้นเหตุโน้น เหตุโน้นคืออะไรเหตุโน้นคือตัวยึดตัวถือเนี่ยตัวตั้หาตัวอุปาทาเนี่ยแหละอะไรพายึดถือตั้หาอุปาทานก็ตัวตั้งหาเนี่ยมันพายึดตัวเราตัวของของเรามันเกิดขึ้นมากับการประชารพบชาติไหนมันก็ยึดเอาอย่างงี้ยยึดเอาอย่ยึดเอาจนชินตัวเราตัวของของเรา เมื่อเกิดความยึดขึ้นมาทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นมีขึ้นความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นมีขึ้นความฉลาดแกมโกงก็เกิดขึ้นมีขึ้นลองดูไปเถอะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเรารู้ไม่เท่าเท่าที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเป็นอะไรเราไม่รู้ไม่รู้รจะไย้อนหน้าย้อนหลังเจ็บไข้ได้ป่วย ท, ôn, ทุกนู่นทุกนี้ทุกนี่ทุกนั่น เช่นอย่างปวดหัวเนี่ยเราก็มีแต่ยาให้หยุดปวดยาให้หายปวดปวดหลังปวดเอวปวดแขงปวดขาปวดหัวเข่าปวดต่อโพอปวดตรงไหนก็ตามปวดไหล่ปวดคอแล้วนั่งภาวนาเนี่ยรามีอย่างเดียวอยากให้หายปวดอยากให้หายปวดอยากให้หายปวดนี่หมายความว่าเราจะดับตัวทุกข์ เราไม่พยายามตั้งใจจะดับสาเหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เรายึดเราถือเรายึดเราถือเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญารู้รอบปัญญารู้รอบรู้ด้วยด้วยอะไรรู้ด้วยเครื่องมือคือสติคือสัมปชัญญะจริงเรล่อนี้มันเกิดขึ้นมันแปรปรวนต่อหน้าต่อตาเราเรขารขาดสติเราขาดสัมปชัญญะไม่ได้กําหนดรู้เราไม่ได้กําหนดรู้ตั้นหามกระพายึดนะ ตาเห็นย in ินดีย right? right? like oh. ินร้ายเห็นกายกายสุขก็ยินดีกายทุกข์ก็ยินร้ายยินดีก็อยากไปมาขยับเข้ามาจยากโอยเข้ามาดึงเข้ามากองดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามายินดียินร้ายก็ผลักออกไปผลักออกไปดึงเข้ามามันก็ไม่มาตามใจหวังผลักออกไปมันก็ไม่ไปตามใจหวังใจมีความรู้สึก นึกคิดเฉยสิ่งเหล่านั้นมันมีมันเป็นด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันเราจะทำไงเราถึงจะถูกต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันเพื่อที่จะเข้าไปถึงความจริงเรื่องจริงเช่นอย่างตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกเกิดผัสสะเกิดเวทนารู้เท่ารู้เท่ารูป ร, รู้เท่าเวทนาคําว่ารู้เท่าก็คือรู้ทันรู้ทันก็คือรู้เท่า รู้ทานอะไรรู้ทันกิเลสในใจของตัวเองนั่นแหละรู้เท่ามันก็รู้เท่ามันรู้เท่ามันมันรู้เท่าไรเราก็รู้เท่านั้นอ่ะรู้เท่ามันรู้เท่าก็คือรู้ทันรู้ทันคือรู้เท่ารู้ไม่เท่ามันก็คือรู้ไม่ทันคนอวยายสู้มันไม่ได้สู้สู้มันไม่ได้รู้ไม่ทันมันรู้เท่าคือรู้ทันพอรู้ทันก็ยินดีก็รู้ว่ายินดีมันก็ดับยินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายมันก็ดับอืม เวทนายินดีก็คือเวทนารู้ทันมอนกันดับเวทนาไม่ก่อตัวยินร้ายรู้ทันมันก็ดับเวทนาไม่ก่อตัวในเมื่อตันหาเวทนาก่อตัวไม่ได้ตันหามันก็เกาะเราไม่ติดตันหาเกาะเราไม่ติดเกาะติดเกาะติดเกาะหลุดเกาะหลุดเกาะหลุดเพราะอะไรเพราะมันถูกปัญญายื้อแย่งไปแล้วถูกปัญญาความฉลาด มันยื้อแย่งไปแล้วมันเกาะไม่ติดตัณหามันเกาะไม่ติดเมื่อตัณหาเกาะไม่ติดอุปาทานมันก็ไม่ติดเมื่ออุปาทานไม่ติดการยึดมั่นถือมั่นไม่เกาะไม่ติดการที่จะดึงมามันก็ไม่มีการที่จะผลักออกไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตามมาโดยอัตโนมัติเกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาตินี้ในเมื่อเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้าย ตันหาไม่เกิดตันหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดพกไม่เกิดชาติไม่เกิดเรามาดูมาดูอุบายวิธีสั้นๆแค่นี้ตามหลักตามระบบระบบที่ท่านท่านพูดเอาไว้เนี่ยเราก็มาพิจารณาเรื่องจริงของจริงที่มันพัานหัวใจของเราต้องรู้เท่าทันตัวไหนต้องละตัวไหนต้องละตัวยึดตัวถือนี่เองเอาอะไรมาละอ่า เรายังอับจนด้วยอบายด้วยวิธีเพียงที่เราดํารงสติให้โรอยู่สิ่งเหล่านั้นก็นปัญญาไม่ยังไม่เกิดคอยมีสติกํากับโรอยู่ก่อนเถอะมันมานามันร่วงไปมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ร่วงไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็ร่วงไปอย่าอยากให้มันหายยาอยากให้มันดับอยากมันก็ไม่หายอยากมันก็ไม่ดับเพราะมันมีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันหากไอ้บ้านเราไปไปยึดเอาเฉย มันมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยเข้ามาแต่มันละเอียดมันต้องเข้าภาคปฏิบัติวกว่าจะเข้าไปเห็นสัจจ์ความจริงตรงนี้กวา่าเราจะเข้าไปเห็นสมุทัยตรงนี้นยทุกเกิดทุกแก่เกิด ร, รู้มันเกิดรู้ว่าความทุกข์มันเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่รู้ว่าความแก่เป็นทุกข์แก่มาแล้วก็ต้องตายรู้ว่าความตายเป็นทุกข์มันยัปงป็นละตรงไหน ตีตันอันตู้ไปมันไม่รู้ไป็ละตรงไหนไม่รู้ไป็ละตรงไหนท่านจึงให้เราพิจาริย์รู้เห็นเท่าทันแล้วก็ยอมรับโอมันต้องแก่อ๋อมันต้องเจ็บอ๋อมันต้องตายมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันคือคือสภาวะธรรมที่มันมีมันเป็นไปตามภาวะของมัน พรพิจารณานี่เมื่อเรารู้เท่ารู้ทันมันเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันมันเกาะตัวไม่ได้ก่อตัวไม่ติดมันเกาะไม่ติดตัณหามันเกาะไม่ติดนักเข้ามันก็ไม่มีที่เกาะมันเกาะมันเกาะไม่ได้มันเกาะไม่ติดมันไม่เกิดมันเกาะไม่ติดมันคือมันไม่เกิดมันจะโผล่มาในจิตดวงนี้จิตตรงนี้ก็มีปัญญาทํางานแทนแล้วมันมาเกาะไม่ได้มาโผล่ให้เห็นมันก็หัวขาดไปเลยพผล่ให้เห็นมันก็หัวขาดกันเลย ลองกำหนดจดจอลองดูเราจะเห็นเมทนาที่เกิดขึ้นนี่ก็ยากให้หายก็ไม่ได้ดูที่เหตุดูที่ปัจจัยเข้ามามบางอย่างเราก็ต้องสารภาพบาปกรรมใช่ไามด้วยเวรกรรมใดๆที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันก็ไปเจ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้อัดได้ทำแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั้น มันบาไปให้มันบางไปเราพิจารณาอยู่อย่างนี้บางทีศุเหมาะเจ้ากรรมนายเวรฟังเข้าใจรู้เรื่องเออลด่อนผ่อนให้เราได้รับความเบาใจได้รับบุญกุศลจากที่สร้างจากที่ทำอุทิศส่วนบุญให้เราเออจงเป็นสุขจงเป็นสุขจงเบาเถอดจงเบาเถอดจงเบาเถอะหายก็ช่างไม่หายกายช่างนี่คือวิธีที่เราจะทํา จากนั้นแล้วก็พยายามเอาความผูกมัดด้วยอุปาทาน เ, นเอาพยายามเอาตัวนี้ออกอะไรเกิดก็ชัามันอะไรตายก็ช่างมันโ ย, ยกผู้รู้ดวงเดียวเนี่ยผู้รู้ดวงนี้ไม่เกิดไม่ตายผู้รู้ดวงเดียวตัวนี้ไม่ตายอยู่กับตัวนี้ผู้นี้รู้ว่าเกิดรู้ว่าแก่รู้ว่าเจ็บรู้ว่าตาย ในเมื่อเรารู้มันกลายกันมันถอนตัวออกมาแล้วถอนตัวออกมาจากถอนตัวออกมาจากสมุทัยมันถอนตัวออกมาจากสมุทัยแล้วสมุทัยโลกกลั่งไม่ได้สมุทัยเกาะไม่ติ่งตื่นเนื้อตื่นตัวแต่ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาสมาธิปัญญาในหลักที่บุทธิยาท่านสอนนี่แหละสามารถจะสอนให้เราเราสสัมฤทธิ์รู้สึกตัวได้ ความรู้วิชาการอย่างอืง่นตาไม่ทันรู้ไม่ทันตาไม่ทันเพราะมันเคลือบแฝงเคลือบแฝงเป็นเคลือบแฝงไปด้วยตัณหามันเป็นผลผลของตัณหามันไม่ใช่ผลผิดผลของธรรมะมันไม่ใช่ผลผิดผลของของทุกข์กกขนิโรธท่าขาไม่มีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเราพยายามพิจารณาเหตุให้เห็นอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือหอนทาง ที่เราพิจารณาเป็นการถูกต้องสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นดับเป็นนิโรธเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคมันแก้กันในตัว อ, อริยสัจสีแก้กันในตัวเหตุอันหนึ่งเพื่อทุกข์เหตุอันหนึ่งเพื่อดับทุกข์ทุกขานิโรธท่าขาไม่มีปฏิปทาคือมรรคมรรคมี อ, องแปรนี่แหละ เราสร้างเหตุให้มากเหตุอันนี้เป็นเหตุเพื่อดับทุกข์ดับได้เป็นนิโรธเหตุอันหนึ่งเพื่อก่อทุกข์คือสมุทัยตัณหาเป็นเหตุก่อทุกข์เพื่อสมุทยตัณหาไม่เกิดไม่เกิดเพราะว่าสติเรากล้าปัญญาเราแข็งพอพิจารณาเห็นว่ายินดีพิจารณาความยินดีให้มากพิจารณาความยินร้ายให้มากภาวะของความยินดีภายในจิเป็นยังไงมันละเอียด น, นะ ภาวะของความยินดีภาในจิตละเอียดก็หมุดจดจ่อดูพิจารณาดูภาวะความยินร้ายดูความยินดียินดีหรือยินร้ายกายมันเจ็บหรือกายมันปวดยินดีกับเจ็บปวดไหมหรือว่ายินร้ายกับเจ็บปวดพิจารณาตรงนี้ให้มากในขณะที่เราพิจารณามันเป็นการขัดเกลื่อจิตของเราเอง ให้เราจิตของเราตื่นรู้รู้ถึงตัณหาโผล่มาไม่ได้คัดเกล้า อ, อยู่ตรงนี้เราจะได้อา่านเราจะได้ทํามันมันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวงในที่เป็นละเอียดไม่เกี่ยวข้องกับนิมิไม่เกี่ยวข้องกับริษเดชอภิญญาอะไรทั้งนั้นนี่คือเอากคำปั้นโทูกันด้วยกคำปั้นแท้ๆเลยเลยเนะี่ย สู้ด้วยการมัดมือชอกเลยแหละมัดอะไรนะมัดกิดเลสมัดตันหาเนนะี่ยมัดมือชอกกันเลยแหละเอา้ามัดมือชอกเลยแนหะละแลกมัดกันเลยเอาตรงนี้แหละวงไในสดๆสดสดร้อนๆจะเอาจะเอาตรงนี้แหละมันยากอยมันยากอยแต่มันก็ได้ ตั้งอกตั้งใจทําไปเรื่อยๆสั่สมไปเรื่อยๆมันรู้มันเข้าใจมันก็ได้อืพอได้ไปแล้วเราก็รู้รู้ทุกมันรู้ทุกไม่ยังเป็นจะต้องให้มันดับดับมันไม่ดับดอกเพราะมันมีเห็นมีปัจจัยเข้ามันเราไปอยากให้ดับดับไม่ได้ถ้าหากมันดับไปเราก็อย่าไปมันจยินดีรู้ว่าดับจะไปยินดีกับมัน อย่าไปให้อัตตามโผล่ขึ้นมาดับก็รู้ว่าดับไม่ดับก็คือไม่ดับแต่เราไม่ได้เป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาสัตว์สัญสิตีระลึกรู้ผู้ว่าเวทนาไม่ละเอียดตรงนี้นละเอียดพยามดูดูไปดูไปดูจนพอความใจแย่ให้เราก็ใจถ้าเราดูไม่พอเราก็ไม่เข้าใจ เรไม e ่เข้าใจเราก็ล้มต้องคุกเงาอยู่ตรงนี้แหละล้อมปิดล้มทุกจับปิดจับถุกอยู่นี่แหละทุกๆุทุกทุกทุกทอยู่นี่แหละทั้งอดทั้งรอนทั้งทนทั้งทุกทั้งลาบากทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งหอดทั้งหิบทั้งอะไรตัวไหนอ้าวดูไว้รอบก็แล้วกันการตั้งใจปฏิบัติต้องอดต้องทนไม่อดไม่ทนไม่รู้จะเอาอะไร มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้ยากในการท้าหน้าเละมันไม่มีใครง่ายมันไม่มีอะไรล้างมือเปิบชุบมือเปิบเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหนียวแน่นอยู่ในหัวใจของเราเป็นกับเป็นกันเป็นปูเรช่าชาติมรุกกีกับขี่กันแล้วก็มรุกกีพบกี่ชาติที่เราไม่เคยชักเคยล้างอะไรให้มันมันสกปรกสมมหมักหนุ ม, มตัวเองมามรุกถ้าไหลเทไหล พอเราจะเริ่มชัเริ่มไลาให้มันนิดหน่อยใช้มันสมใจให้มันสมหวังแอมมันก็เอาตันหามันนําน่อยเราพยายามจะดูหน้าดูตามมันให้ชัดเลยมันก็มาสวมรอยเราง่ายๆดูให้เห็นกันแล้วกันตันหามหัวใจของเราท่านองค์้งใจกันนะในลานี้เวลานี้เป็นเวลาที่ ที่เหมาะที่เราต้องออกต้องใจจะฝึกฝนจะอบรมเป็นะฉพในช่วงพรรษาจะอดนอนจะผอนอาหารเอาถูดงแลาก็พาถือจะอดนอนภาวนาฟืน้นตัวเองสักหน่อยหนึ่งจะผ่อนอาหารจะอดอาหา ร, ออาหารคอยมีเจตนาอดไม่ใช่ออดอาหารคิดถึงกาแฟไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่แล้วคิดบ่อยๆเข้าน้ําลายเยอมลุกขึ้นมาแล้วี่เทิมเทิมเทิมเทิมเทิ ม, มไปหากระติกน้ำแหละไปหานน้นหานี่หาก็แก๊กแหล ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะนั่นระวังให้ดีนะทต้องทั้งที่เราจะเอามันมันเอาเราซะก่อนนะดูที่เลือดเยอมซะก่อนแล้วเราตั้งใจจะเอามาันมันถูกเลือดเยอะซะก่อนนั้น อาหารนี่เราตั้งใจอดอดเพื่อให้ร่างกายมันเบาสบายมันไม่ค่อยง่วงนอนด้วยกําลังวางชามันก็จะปรับเนื้อปรับตัวของมันเองร่างกายมันรู้อยากปรับตัวของมันเองร่างกายพอเราอดไปมันก็แรงงานที่มันจะใช้มันก็ใช้น้อยมันไม่ใช้มากมันก็พอดีกว่าดีเราก็ไม่ได้ไปแบียไปหามไปอะไรมากยกเว้นแต่เรารู้เรา พระภาระวันไหนเราทําอะไรหนักๆเราก็ไม่ต้องปวดหามมีอะไรจําเป็นจะต้องทําไม่มีอะไรทำเราก็อดเราก็ภาวนาเบาสบายทั้งอกทั้งใจมุ่งมั่นที่จะเอาจะเอาจะเอาจะเอายืนดก็จะเอาเดินจะเอานั่งก็จะเอานอนเราก็จะเอาจะเอาพักก่อนสัหน่อยนะพักก่อนสัหน่อยเราจะเอาจะเอาตื่นขึ้นมาลุกขึ้นเอาเอาเอาจะเอาจะเอาจะเอาชนะมัน พอใจอยู่กับการกระทําสร้างกาลังใจให้กับตัวเราเองพิจารณาให้ถูกคิดให้ถูกพิจารณาให้ถูก้เป็นความรึกคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันชักจะ อ, อกนอกลูนอ ก, นอกทางมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ต้องรีบประมัดระวังต้องรีบปิรัตต้องรีบงดต้องรีบเวน้นต้องรีบปรับปรุงต้องรีบแก้ไข ตัวที่มันเสียหายมันคอยจะสอดแทรกเข้ามาก็มี